และพ้นไปได้ในธรรมชาตินั้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายปุทุชนผู้ไม่ได้สดับพึงถือกายอันประกอบขึ้นด้วยธาตุทั้งสี่นี้ว่าเป็นตนดีกว่าการถือว่าจิตเป็นตนไม่ดีเลยเพราะเหตุไรเพราะกายอันประกอบขึ้นด้วยธาตุทั้งสีน่นี้ที่ตั้งอยู่หนึ่งปีสองปีสามปีสี่ปี